ขันธมยังอริยทั้งสิกามขปาทั้งธนามะเสอริยเมวาริโยทังสิกโกมงโกนทางนี้แลเป็นหนนทางอันประเสริฐซึ่งกระกอบด้วยองค์แปดเรืยาธิทางท เกถดสิ่งเหล่านี้คือสมาธิทีวามเห็นก็สมาธิขับผู้ เรียงชีวิตจอบสัมมาวายามุความมกเปียนจอบสัมาสะาธิความรักจาบสัมมาสมาธิความตั้งใมัจอบอามายาพิเศษสัมมาพิชิตดูปานเดชสุขังไร ความเห็นชอเป็นอย่างไรเล่ายังโู้ิีกเวตุทุกข์ยานังดูปัญจสุสรรมให้ความรู้อันใดเป็นความรู้ใดทุกทุกขะสมุจัยยานังเป็นความรู้ในเหตุใดเกิดทุกทุกขนิโรเธยานัง เป็นความโลไในความดับแหงโลภโลกานิโรธภาพิมิยาติภาสายะญาณังเป็นความโล้ในทางดำเนินให้ถึงความดับแหงโลภอาญุจติปิคะเวสัมมาทิติโลก่อนเสสุธารายอันนี้เรากล่าวว่าความเห็นชอบ กัสสโมจะกิิขเวสัมมาสังกปรสุภะนิสุตงังไรความดำริจอบเป็นจย่างไรเล่าเสขมาสังกปรความดำริในการออกจอากความอสัยยาปัสสังกปรความดำริในการไม่หงุดหงิด อาวิงตสังกัปปองความดำดิใจการไม่เบียดเบียนอายาหยชัติภิกขเเวสสัมมาสังกัปปองดูตอนที่ดูทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความดำดิชอบภะคะมาจากิวเเวสัมมาวาจาดูตอนที่ดูทัท้ง ผู้ใจชอบเป็นจากไรเล่าโมทาวาทาเวรัมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริงปิสุนายวาจายเวรัมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดต่อเดียดอาลุสัยวาจายเวรัมณี เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดจาสามปะปะลาปาเวรมะนีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออาญาพูวจะดีพิเศษเสมาวาจางตัวก่สูจน์ทังหลายอ่นนี้เรากล่าวว่าการพูดจาเจอ กัจจโมจจะพิฆเวสัมมากัมพันธ์ุดูควาที่สุขทั้งหลายการทำทานงานชอบเป็นอย่างไรเ่าอานาจิปาะตาเวรัมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าอาจินาจานาเวรัมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจาก สื้ถอเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ไหม่แล้วตาเมตุมิจจาจาระเวรมะนีเกตนาเป็นเครื่องเว้นจากการสาบสิทธิ์ในการทั้งหลายอาญาุจาริภะเวสัมมาการรมตงดูปอนติสู่ขงัขงไร นี่เราทราวว่าการทาการงานชอบกาธมวจิปิเวสัมมาอาชีวอนสุขอนิสุขทังหายการเลี้ยงชีวิตชอเป็นอย่างไรเราปิสสเวนอาติยาสัมมาโณสุขอนิสุขทั้งหายสาว ที่ญาจายทรมวิไนนี้เมียจายทิวังปัญญาการเลี้ยงชีวิตที่ิีเสียสัมมาอาชีว์นั่นคืกัรกับเพศะอบสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลียงชีวิตทียออาญาบุจาเทิกับสัมมาอาชีว ดูก่อนสูทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการเลียงที่ไม่ก่ามวิจาพิขเวสัมมาวายามุดูก่อนิสูทั้งหลายความรักเรียนก่อเป็นอย่างไรเล่าเทชาพิฆเวพิโคดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เปรตในธรรมวินัยนีอาทุปนันนังปาปกานังอกุลานังธรรมานังอานุปสายาชันทังดนิวายามิติเวียอาราปปิติเกตังปะกันอาติตาตุิตยอมทำความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อพยายงปราลบความเดียนปรากองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอกุศลและทำอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นโอปันนานังตาบะดานังอกุศลนังธรรมานังปัาญายังกัตังจันเนติวายะมาติ เวียนอาราพเดยดังปะกันนาเดปะนาเดยอมนำความพอใจให้เกิดขึ้นยอมพยาแยมอาโรคความเพียนปรากรสร้งจิตไว้เพื่อจะละอาภูสนละธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว อาตุปนัานตังปุจจารันตา ง, าง ม, มานางังอุปาทายะจันตังจะเนติวาจาติเกรริยานาะตาติเทตังภากันุสติระทาหติยอมทำความพอใจให้เกิดขึ้นยอมปยาัยยามกระโ ร, วระโ ค, ความเบียดกระกองตั้งจิตไว เพื่อจะยังกุศลทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นตุปานานังตุสานังธรรมานังปิทิยาอาสัมโมทายปิโยภวาญาเวฟุรยาอาวันายาปาลิโศริย์กันสังกเนตวายามาต เปลียนากรรมทิฏฐเทิยฐังปรกันหาเทปัตย์าธิยอมดับความพอใจให้เกิดขึ้นยอมพยายามดัโรคความเตียนดับความตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลื่อนเรือความฮอกงานยิ่ขึ้นความใจบุญความเจริญ ความเต็มรอบแห่งคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอาญาโมจาริสิคาเวสัมมาวายามุนดูตอนที่สู่ทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความภาเเต็มชอบกาธรรมาจาริสิครเวสัมมาสติดูตอนที่สู่ทั้งไลา ภาญาที่เกเป็นอย่างไรแล่วอิจาที่เวี้ยบิภูรูปภาพที่สุดทังายที่สุดในธมมมวินัยนี้าายกายานุปัสสิวิหาติเจ้าเป็นผู้พิจากณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจําอาตาปิสมภะชานสัติมา มีนากาโลเกอภิชาโลมานัสังมีความเปลี่ยนเครื่องเผาเกิเลมีสัมปชัญญะมีสติทอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกของเปลียนายเวทนาสุเวทนานุปัสสิเวนารติ ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจําอาศิ น, นสัมปัจานุสติมาที่ในยานโลกอหิงที่านักชั่งมีความเพียงเครื่องเผากิเลตมสีสัมปัจญาณมีสติ ความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ทีเตทีตานุัสสิเวหาติชอบเห็นผู้ปิชารณาเห็นจิตให้จิตจูงเป็นประจำนัตาปิสัมภะชาโนสัติมาปีนารยาโลเกอาภิชาโทมานะชัมีความเมียนเครื่องเผาปิเลน มีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกของเกรดได้ทำในจจสัรมาทัสสีภารกิจชาเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหายอยู่เป็นประจาอาตาปิสัมปชานญนตัสสีมา วอนาัยาโลกเกออาภิาโจมานัสสังมีความ เ, เมาพียงเครื่องเผาเกลิสมีสัมปทานยามีสติข้อนความพอใจและความไม่พอใจในโลกของวินายอยังหุจะติพิกขเวสัมมาสติทุกข่อนที่สุทัทงไย อันนี้เรากล่าวว่าความระบผิดชอบตาตาโมจะพิเศเวสธรรมสมาธิทุก่อนพิสุททั้งหายความตั้งใจมันชอบเป็นอย่างไรเลสาเิเสิกเวทพิคุทุก่อนพิสุทท้งายเจสุในธรรมสมาธินัยนี้มีวิเวกรรม ากุศลในธรรมในจะหัแล้จยากทำที่เป็นอากุศลทั้งหลายสวิตตังคสวิจารังมีเวกจังปีสุขังปะตมังจานุปัสสังปะจาริยานติเข้าถึงปะโทมจาร์กราบออด้วยวิสถมวิจาร แจศักดิ์เก e e ouais an ิดจาทว่เวกแล้วแลอยู่วิตากาวิจารณ์นั่งมุขสมานเพราะความที่วิตกวิจารณ์ทั้งสองระงับลงอาศัตต์สัมปัสสนางเกิดทเน์เกิดกบิวาสอาวิทตากาวิจารณ์ สมาธิธธญญจังปาาีตุขังสุติญาจารังอุปาสปัชฌาเรภารติก้าวถึงสุติญาชารเป็นเครื่องของใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกกุท ธ, ธีขึ้นไม่มีริศกไม่มีริจารที่แต่ปีตีและสุขขันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ ปีติยาจาวิราภรณ์อาเด็กก็จากจางหายไปแห่งทีตีภูเบกขกูจาวิรารติกระตัจะสัมปชะนงยอเป็นผู้อยู่เบกาที่สติและสัมปาจันญาตขันญาตายะนับวิสังเวชิต แม่ย่อมจะไว้ความสุข้วยนามะกายญาตงอารียาอาติคันติภูเบโกสติมาสุขาวิอาริเตญาณิสีพระอารียาเจ้าสงหายย่องก่าวสระเสริญผูนั้นว่าเห็นผู้อยู่เบกามิสติจูเป็นประกสิสุญาณิ ตาดีอังา